เอ่อท่านผู้อ่านทั้งหลายต่อนี้ไป ที่ 24 กันยายน 2532 จุลัยมีโอกาสมาพบ เมื่อสักซ้อมกันเสร็จเม 23 กันยายน 2532 หลวงปู่ แม้กระทั่งวัยยาววัยยากรร่วมกับพระมีว่าเมื่อแรกเริ่มตอนที่ดีที่เดียวหลวงปู่ก็ไม่เคย แต่ทําไมจึงต้องตั้งพระควบคุมทรัพย์ 23 กันยายน 2532 ป้า ก็ว่าไม่อยู่ในฐานะวิยาวจกรที่แต่งตั้งแต่ว่าหลวงปู่ท่านเคยบอกว่าเสมอว่าที่วัดนี้ไม่มีการแต่งตั้งวิยาวจกรทั้งนี้ก็เพราะว่าคนทุกคนที่มาโดยเฉพาะ มาถึงก็ช่วย คนแต่ละจังหวัดหลายๆจังหวัด <c oughs> Pagan leert, dan kon en dan, chuïgeng, geep. Tien, een, ja, ná. Nú boe, tien, boe. Ná, ná, ná. Ná, ná, ná. Ná, ná, ná. Ná, ná, ná. Ná, ท่านบอกว่าการที่ตั้งวัยยาววัยากรคราว ราคาของจะมากราคาของจะน้อย แล้วก็มีกรรมการฝ่ายพระกับกรรมการๆเป็นภาระอันนี้ภาระ ส่วนนี้เป็นค่าค่าไฟฟ้าประจำเดือนส่วนนี้เป็นส่วนส่วนของเรียนส่วนนี้เป็นการจ่ายเพื่อนักเด็กนักเรียนสงเคราะห์ค่าอาหารบ้างค่าอาหารเป็นหลักใหญ่แล้วก็เสื้อผ้าอุปกรณ์การศึกษาทุกอย่างรวมความว่า ทำไมจะไม่จัดเหล่านี้เรื่องจัด <c oughs> แต่เวลานี้ยังไม่พร้อมหนอปู่แต 21 กันยายน 2532 หรือ 21 นี่ ตอนเย็นประมาณ 4:30 น. เสร็จๆหลวงปู่ท่านได้ฟังตามธรรมดาเส <c oughs> ท้องอืดเสียดท้องแล้วก็อาเจียนเป็นเสมหะการ สองคนนี้ <c oughs> บางครั้งแขกก็ๆได้บอกว่าหน้า เวลานี้ที่พูดกันทุกขเวทนาก็หนักมากเสียดท้องร้อนในอกร้อนในท้องเสียดถึงหน้าอก เสียเวลาเสียสละเวลาการงานจากบ้านผลที่จะได้มีอยู่สาเสสละมาแล้วเป็นการที่ส่งมาก็เสียค่าพาหนะเสียค่าอาหารรวม ถ้าหลวงยิ้มไม่ไหวก็ลงรับแขกไม่ได้เมื่อนั้นคุณ ไม่แต่การบริหารภายในก็ดีได้การบริหารภายในก็ดีหรือ หลวงปู่ท่านป่วยใสพระลงไปแทนท่านก็ประกาศไปว่าการถวายสังฆทานกับนั่นน่ะถวายกับพระองค์ไหนก็มีอานิสงส์เหมือนกันเพราะสังฆทานไม่สนบุคคลพระที่รับนั่นเป็นเพียงเป็นผู้แทนสงฆ์แต่ก็ปรากฏว่าบรรดาญาติโยม daarom loop boer zal mijn ที่มาช่วยงานในวัดเปิ้นเป็นเป็นภายาภิกรอย่างนี้ไม่เป็นการแต่งตั้ง 100% เพราะมา สำหรับคณะที่ท่านตั้งเขาท่านต้องการให้เป็นตัวบุคคลไว้เวลาที่ท่าน <c oughs> เพื่อนป้าน้อยก็บอก <c oughs> ตามบวรติมาให้ยาท่านเสร็จท่านสงน้ําเสร็จให้ยาก็ปฏิบัติมาตลอดเป็นเจ้าหน้าที่ให้ยาแทนหมอ กลับมาจะรับแขกต้องท่านต้องเคารพต้องคอยต้อนรับคอยระมัดระวังเพลง คุณป้าก็บอกว่ารูปผู้ถึงบอกว่าท่านไม่อยากจะกลืนใครเพราะเป็นเรื่องเล็กน้อยยังไม่มีความจําเป็นพระทุกองค์รักฤาว่าตัวองค์น่ะ daar ooggaat hij dat mee mee, maar hij wil aan de een boy mee, maar hij mee mee komt. Hij และก็กําลังพิจารณาว่าท่านนึกในใจตามบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอีกไม่นานนักหนาร่าง ท่านก็พิจารณาร่างกายท่านไปเรื่อยๆจิตก็ไปสุขเห็นว่าไอ้นั่นมันก็ไม่ดีนี่ก็ดีนั่นก็จะพังนี่ก็จะพังนั่น ว่าสมัยก่อนโน้นเมื่อหลายสิบ แต่การตายไปครั้งนั้นก็ไปถึงสถานที่อยู่มีความสุขสําราญมีความสุขมากดีทุกอย่างไม่มีงานไม่มีการไม่มี แต่ที่มันไปพอเดี๋ยวเดียวนั้นก็ไปเป็น เนี่ยปิด 1 ชั่วโมงร่างกายๆจะมีความรู้สึกว่าร่าง ik heb het niet gezegd. Ik heb heb Ik heb het gezegd. Ik เพราะฉันเตรียมที่พ่อทํางานเร็วมากอเมริกันเลยแต่เมื่อเหนื่อยท่านก็พิจารณาว่าเวลอาการอย่างนี้ ถ้าเจ้าร่างกายนี้มันเลิกหายใจเมื่อไหร่เราก็ไม่กลับถ้าเจ้าร่าง <c oughs> ท่านทั้งหมดก็ถามว่าจะไปมากฉันจะหลบไป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 เป็นสถานที่ธรรมัติการ ก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทุกองค์ เมื่อส่งตัวไม่ได้ก็มีความจําเป็นต้องละร่างกายเพื่อประโยชน์สุขตามช่วยพระพุทธกาล่า we. We plecat, hoeHI, zakon, een, sorted, de de maar de oude prachtige rang ga in kan kan gaan We lappen aan papieren kun je praten wat, เอ่อถึงแม้ยังไม่ปกติก็ไม่เป็นไรจุไรจึงได้ถามว่าคุณป้าจบคะหลวงปู่บอกหรือเปล่าว่าขณะที่ไปที่จุฬาลงกรณีย์ไปพบพระใหญ่ท่านในเวลานั้นท่านคุย ท่านบอกว่าเธอยังไปไหนไม่ ให้ครบท้วนบริบูรณ์เสียก่อน วันนี้มีลมหายใจพรุ่งนี้อาจไม่มีลมหายใจก็ได้ตอนเช้ามีลม และสั่งงานไว้แน่นอนว่าทุกๆทั้งหมดอะไรจะใช้อะไรต้องเป็นไปตามนั้นทุกอย่างคือว่าเขียนไว้ ดาวทุกคนถ้าใครไปเปลี่ยนแปลงหรือหรือจะจะดัดแปลงแก้ไขอันนี้อีกหลายๆคนจะได้คล้ายกันบอกด้านต้องนั่งเคาะๆ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 แต่ทุนนี้ต้องเป็นทุนสำรองต้องหามาสะสมเป็นทุนสำรอง จะตั้งคณะบุคคลเป็นวิทยากรมีพลนภโทสมศักดิ์ เรื่องคัมภยากรก็เป็นเรื่องคัมภยากรไม่มีใครเถียงคัมภยากรได้แต่ถ้าบุคคลที่ถูกพยากรณ์ได้จะตายเสียจริง คือกลับความจริงใจได้เราไม่อยากตายก็ได้แต่ถ้าวาระของชีวิตมันหมดจริงๆเราจะอยากตายหรือไม่อยากตายมันก็ต้องตายไปโดยเสียกันไม่ได้จุลัยก็ถาม และความจริงก็เป็นอย่างนั้นความจริงก็เป็นอย่างนั้นอย่างคนที่ก็มีอายุน้อยกว่าป้าเนี่ยเยอะแยะ คือว่าเราอาจจะตายวันนี้ไว้ 1 การ 2 การ 3 การเจริญ 4 ความกตัญญูรู้คุณ ตอนนี้ไปเราก็อยู่กันก่อนนะ